อขอตอนรับชาวไฟฟ้าแม่หมอเห้อรอรบนี้ส่วนกลางนะ2ยบห้าคนถ้ามปน้อยรุ่นนี้เออค่ะแล้วมันทั้งห้าสิบกว่าย0สิบกว่าคนนะสบายหน่อยคนก็เบื่อไฟฟ้า <laughs> าบบมาบ่อยๆเยอะด้วยแต่ปีหน้าไม่ต้องเบื่อละปีหน้าให้ยกมือเท่าเทียมกัน แล้วใครจะรอแบบไฟฟ้าไม่มาแล้วคนจะน้อยก็ไม่น้อยนะก็เต็มทุกวนะันอะเคยมีนะผู้หญิงคนหนึ่งไปที่เมืองการไปเจอคนสักห้าหกคนก็ไม่เอาแล้วไม่ถามแลว้วันนี้จะนั่งเงียบเงียบไม่ถามรอวันไหนไม่มีคนก็จะถามวันนั้นมาที่นี่ถนะ้าสองสามร้อยคนแคก็ต้องถามละห้าหกคนแกไม่ถามสนใจธรรมะไว้ดีแล้วนะธรรมะต้องปลูกฝังเข้าไปอยู่ในใจเราให้ได้ จิตใจของพวกเรานี้แหละจะเป็นที่รักษาศาสนาไว้ถ้าใจของเรามีธรรมะ ก, ก่อนนะแล้วเราก็ค่อยบอกต่อเผยแพล่ไปศาสนาถึงจะมั่นคงศาสนาอย่าไปฝากไว้ที่คนอื่นต้องฝากไว้ในใจเรานี่ให้ได้ชอบเอาศาสนาไปฝากไว้กับพระพอเกิดพระอรัตชีอรัตสง์เท่าจริงพระไม่ดีก็น่าจะเรียกอรัตสงโนะไปเรียกอรัชียีไม่เกี่ยวเลย พระรัชีพระไม่มีอย่างอายพอเกิดเรื่องขึ้นมาทีหนึ่งทีหนึ่งนะพวกชาวพุทธที่ไม่ใช่ชาวพุทธแท้ๆก็แข่งชาวพุทธแท้ๆไม่แข่งเราพระธรรมมาอยู่ในใจเราไม่ได้เสียหายอะไรไปด้วยมันก็ต้องมีเป็นระยะระยะนะเพราะว่าอย่างคนมาบวชมันก็มีกิเลสนันแหลมันยังล้างกิเลสไม่ได้จริงมันมีส่วนมากที่ตั้งใจดีก็เอาตัวรอดไปที่สู้กิเลสไม่ได้ก็แพ้ไป เราต้องเอาธรรมะมาสู่หัวใจเรานะไม่ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดมีพระทำเสียหายอะไรขึ้นมาเราจะได้ไม่แกล้ผมไม่ใช่วัด น, นี้นะมีโยมอยู่คนหนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการมาถึงก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังผมมันเวรกรรม ผมไปหาอาจารย์ทีไรอาจารย์ปราชิกทุกองค์เลยบอกเฮ้ย hey, ไม่ต้องมาวันนี้นะแหมสถิติแกไม่ค่อยจะดีเลยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางสังคมหรือกระทั่งในวงาศาสนานะเราก็จะไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้านะ ท่านสอนของจริงของแท้เราลงมือปฏิบัติ ร, รมถูกต้องสมควรแก่ทมเราก็ได้ผลเป็นลำดับลาดับนะเราจะรู้เลยว่ามันจริงๆมันพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ว่าศาสนาต้องไปอยู่ที่คนอื่นที่สิ่งอื่นแต่อยู่ที่ใจเรานี่เองถ้าใจเราเข้าใจธรรมะใจเราก็พ้นทุกข์จริงๆมีความสุขไม่มันมันอัศจรรย์มันมีความสุขโดยตัวของมันเองได้ไม่ค่อยฝึกเอานะ ศาสนาพุทธเนื้อแท้ของศาสนาพุทธก็สอนแต่เรื่องว่าชีวิตมันเป็นทุกข์นะท่านสอนเรื่องความทุกข์จะสอนเรื่องทางพ้นทุกข์สอนอยู่สองอันสอนเรื่องทุกข์ก็สอนเป็นเรื่องวัฏฏะความเกิดขึ้นมาสอนเรื่องพ้นทุกข์ก็เรื่องวิวัฏฏะความออกจากการเวียนว่ายนั้นธรรมมาก็เลยมีสองส่วนส่วนที่เป็นวัฏฏะก็มีตัวทุกข์กับตัวสมุทัยส่วนที่เป็นวิวัฏฏะก็เป็นนิโรธกับมรร นี่ธรรมะที่ท่านสอนก็จะมี2 ส, ส่วน2 ส, ส่วนแล้วเวลาปฏิบัติทํำยังไงปฏิบัติก็คือให้รู้ทุกข์นั่นเองการรู้ทุกข์นั่นแหละคือการเจริญมรรคถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยก็ถูกละถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็คือเจริญมรรคสมบูรณ์แล้วเจริญมรรคสมบูรณ์แล้วก็เห็นนิพพานเห็นนิโรธดังรู้รู้ทุกข์ไว้นั่นแหละคือการเจริญมรรคนะ ถ้าเจริญมากพอตัดสมุทยัยตัดตัณหาออกไปแล้วก็เจอนิโรธเลยคือเจอนิพพานเลยนิพพานคือความสงบระงับนะเด็ดขาดจากกิเลสจากตัณหาจิตใจที่มีความทุกข์ทุรนทุ ร, รายเล่วร้อนอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นเพราะกิเลสตัณหามันแผดเผามันผลักดันตลอดเวลาภาวนามาถึงวันนี้รู้สึกไหมดูออกหรือยังว่าตัณหาผลักดันตลอดเวลาเดี๋ยวอยากน่นเดี๋ยวอยากนี่เดี๋ยวอยากนอนอยากนี่ไม่มีเวลาที่หยุดอยาก กรทังฝันยังฝันอยากอีกใครฝันอยู่บ้างยังมีใครฝันไหมมีใครไม่ฝันบ้างถ้าสติดีๆก็ไม่ฝันแต่จะเห็นจิตมันคิดไม่ใช่จิตไม่คิดบางคนไปเชื่อตำลาแบบตีความเพี้ยนๆนะบอกว่าภาวนาแล้วไม่ฝันความฝันมันคืออะไรจิตมันขึ้นวิถีของการคิดมันขึ้นมาคิดจิตขึ้นวิถีใครไปห้ามมันได้ล่ะ อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมในเวลากลางวันจิตขึ้นวิถีจิตก็คิดสิขึ้นมาคิดนึกปรุงแต่งเวลานอนจิตก็ขึ้นวิถีมัคิดนึกปรุงแต่งเหมือนกันห้ามมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าพอมันปรุงแต่งแล้วเนี่ยจิตถูกมันปรุงแต่งหรือเปล่าหรือว่าจิตมันปรุงแต่งเฉยๆนะแต่ว่าความปรุงแต่งนั้นมันเข้ามาไม่กระทบจิตถ้าเราภาวนาถึงจิตสุดเรื่องความปรุงแต่งจะเข้ามาปรุงแต่งจิตไม่ได้ แต่จิตนั้นมันก็มีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเนี่ยคนละอันกันนะบางทีตีความธรรมมากกลับหัวกับหางแล้วเลยปฏิบัติยังไงก็ทําไม่ได้หรอกไม่ไม่มีจริงคล้ายๆไปฝึกทํำยังไงนะ้ำไฟจะไม่ร้อนไฟมีหน้าที่ร้อนเนี่ยไฟมีคุณสมบัติคือร้อนเห็น<ม>ไหมจิตมีหน้าที่อะไรจิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดไม่ได้ฝึกให้มันหมดคุณสมบัติของมันแต่ว่าเมื่อมันรู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตได้มันสักแต่คิดเป็นกริยาเท่านั้นคิดแล้วไม่ถูกปรุงแต่งไม่เหมือนใจของพวกเราที่ยังภาวนาไม่พอนะียใจของเราพอปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็อารมณ์นั้นก็ปรุงเป็นกิเลสขึ้นมาขี้เลยกลับมาปรุงแต่งจิตใจของเราอีกทิ้งนะมีการย้อนกลับนะมีการคืนเจ้าของด้วยนะเจ้าของก็เลยทุกนะคือตัวจิตนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วเลยจิตเป็นผู้ทุกไปเพราะความปรุงแต่งอันนั้น ให้ฝึกเอานะเราจะมีความสุขจิตพ้นจากความปรุงแต่งมันยังคิดยังนึกยังปรุงยังแต่งนะแต่ว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตจิตก็สบายสิจิตก็อิสระเห็นไหมปรุงข้างเดียวสบายไม่ถูกว่าปรุงนะเหมือนชกข้างเดียวเลยคราวเนี้ยสนุกมากค่อยๆฝึกเอาเมื่อวันจันทร์ไปงานศพหลวงตาผนึกอิสุริน พออุปชารู้ว่าจะไปเลยสั่งให้พิเทสอีกไปก็คนภาวนามันลดน้อยถอยลงไปเจอผู้เท่าที่ภาวนาเก่งๆอยู่สองสารายนะอย่างป้าเวยภาวนาเก่งนะออใครอยาไปดูถูกนะดูถูกดีไม่ดีตกนรกเอาภาวนาดีพรนะที่ท่านภาวนาก็ยังมีอยู่บ้าง พอมีแต่หายังหลวงตาไม่ได้สืบทอดกันมาได้หลายรุ่นนจากรุ่นลงปู่ดุลหมดลงปู่ดุลยังมีหลวงปู่สามอยู่แต่ว่าหลวงปู่สามท่านไม่สอนอะไรท่านเงียบๆแล้ได้หลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเป็นลู้สิธิ์หลวงปู่ดุลตัดจากหลวงพ่อกิมมาถึงหลวงตาพนึกก็ลูกศิษย์หลวงปู่ดุลเหมือนกันตอนนี้ทางน้นขาดช่วงขาดช่วง เลยบอกคนทางสุรินทร์นะว่าหลวงพ่อไปได้ของดีมาจากเมืองสุรินทร์เอามาคืนแล้วนะหมดแันตาต่อกันห <c oughs> ลวงปู่เคยบอกเล่าให้คนสุรินทร์ฟังว่าเมื่อปีสองหนะนั่งอยู่กับหลวงปู่วันหนึ่งหลวงปู่ก็เปรย์เปรย์ขึ้นมาบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองบอกตอนนั้นฟังท่านก็เคารพนะแต่ไม่เชื่อแต่ไม่พูดนะไม่ใ ช, ไใช่ไม่จริงหรอกหลว ง, งปู่ ไม่เม็เซอซ่าออกความเห็นอย่างนั้นหรอกนะ <c oughs> ครูบาอาจารย์พูดต้องมีเห็นมีผลนั้นแหละมาถึงวันนี้เลยไปบอกคนสุรินทรช่ไหมการดูจิตนะไปรุ่งเรืองอยู่ในเมืองจริงๆนะไม่เฉพาะเมืองไทยนะเมืองนอกก็รุ่งเรนะืองแต่รุ่งเรืองไปรุ่งเรืองมานะ้ําก็มีดูจิตปลอมนี่เยอะแย ะ, ยะเลยตอนนี้ได้ฟังไปนิดๆหน่อยๆ น, นะเอาไปแอพพลายบ้างอะไรบ้างนะเอาไปปนกับศาสตร์อื่นๆบ้างนะ ทำว่าดูจิตมันเลยเริ่มคลาดเคลื่อนมาถึงวันนี้มันก็เริ่มเคลื่อนดูจิตมันไม่ใช่การรู้มันกลายเป็น DO, ดีโอดูดูแบบฝรั่งแล้วมันทำถ้ะงั้นเมื่อไหร่ทําเมื่อ น, นั้นผิดนะเมื่อไหร่รู้เมื่อ น, นั้นถูกวิปัสสนาคือการเห็นอย่างวิเศษคือการเห็นความจริงไม่ได้ให้ทําอะไรให้เห็นความจริงแล้วเราคอยรู้ความจริงไปความจริงของจิตใจเราเป็นยังไงความจริงของจิตใจไม่เที่ยงความจริงของจิตใจคือเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นตลอดเวลาดูออกไหม ใครเคยเห็นจิตถูกบีบบ้างบีบ บ, บขยำนะที่ขยําแรงที่ขยํานิ่มๆที่ขยําแรงจิตมันถูกบีบคั้นอะไรเป็นตัวบีบคั้นมันตัญหาเป็นผู้บีบคันมันเฝ้าดูไปนะใจดูไปเรื่อยดูเขาทางานแล้วก็จะเห็นว่าเขาทํางานได้เองก็ เ, เป็นอนัตตาใช่ไหมเขาเป็นอนิจจังคือเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาเป็นทุกข์ขนะังเขาถูกบีบคั้นตลอดเวลา เขาเป็นอนัตตานะแล้วบังคับเขาไม่ได้หรอกเขาทําของเขาเองในการดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยดูเขาทางานไปอย่าไปแทรกแซงดูเฉยๆดูสบายๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างจิตมันโลภขึ้นมาก็รู้ว่ามันโลภจิตมันโกรธก็รู้ว่ามันโกรธจิตมันหลงก็รู้ว่ามันหลงพอรู้แล้วมันก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรอกทันทีที่รู้นะจิตที่โลภเกิดขึ้นเรารู้ปุ๊บมันก็เกิดจิตไม่โลภไปรู้จิตที่โลภตะกี้ กำลังโกรธอยู่พอมีสติปั๊บก็เกิดจิตที่ไม่โกรธไปรู้จิตที่โกรธตะกี้นี้กําลังใจลอยอยู่พอรู้สึกตัวปั๊บก็มีจิตดวงใหม่ที่ไม่ใจลอยเนี่ยไปรู้ว่าจิตตะกี้นี้ใจลอยหลงไปจะเป็นคู่คู่นะจะเรียนแล้วจะเห็นเป็นคู่คู่ดูอันเดียวก็เห็นเป็นคู่คู่ดูความโกรธนะถ้าดูเป็นก็จะเห็นความไม่โกรธดูความโลภก็จะเห็นความไม่โลภดูความหลงก็จะเห็นความไม่หลงเห็นไหมว่าตัวทุกข์นะกับตัวพ้นทุกข์ มันขนานกันอยู่มันอยู่ขนานกันมาตลอดเลยทุกๆเรื่องอะ่นะมีร้อนก็มีเย็นนะมีทุกข์ก็มีสุขเป็นตัวขนานกันอยู่ตลอดเวลาแต่เราชอบเพ่งเร็งไอ้ตัวที่มันไม่ดีเหมือนถ้าเรามีผ้าขาวผืนหนึ่งนะแล้วมีรอยเปื้อนสักนิดหนึ่งนะเอาผ้ามาคลี่ทีไรก็จะดูไอ้รอยเปื้อนรอยขาดนี่แหละอ้รอยดีๆทั้งผืนไม่ดูเห็นไจะดูของที่ไม่ดี เราเขรู้สึกจิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยความโกรธความโลภความหลงดูยังไงก็เห็นแต่โกรธโลภหลงพก็โอซเองอะ่ะไม่เห็นจิตที่เป็นคนไปรู้เขานะมันไม่โกรธไม่โลภไม่หลงหรอกมันเป็นคนรู้เฉยๆไน้เฝ้ารู้ไปนะจะเห็นสิ่งที่เป็นคู่คู่ให้รู้เรื่องความเป็นกลางด้วยจิตโกรธเกิดขึ้นก็อย่าไปว่ามันก็จิตมันจะโกนะรธไม่ใช่เรื่องของเราจิตมันจะโลภก็อย่าว่ามันนะจิตมันโลภก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา จิตจะหลงก็ว่ามันไม่ได้มีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองห้ามมันไม่ได้นี่รู้แล้วมันก็ต้องดับทำไงมันดับนะไม่ต้องทําอะไรแล้วมันจะดับทําไมไม่ต้องทําอะไรมันดับไม่มีอะไรหลอกที่เกิดแล้วไม่ดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะถ้ามีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาถ้าหมดเหตุมันก็ดับไปกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่อาศัยความหลงเป็นพื้นฐานถ้าขาดสตินะหลงไว้เมื่อไหร่กิเลสก็เกิด ถ้ามีสติเนืองๆ น, นะกิเลสก็ดับก็มีเท่านั้นเองเราฝึกนะไม่ใช่ว่ากูดับกิเลสได้นะแต่เราฝึกทําเหตุของสติเจนสติเกิดนะแล้วกิเลสมันดับของมันเองนี่เรียกว่ามันไม่มีเหตุมันก็ดับมันมีเหตุมันก็เกิดอีกอย่างนี้เรียกใช้ไม่ได้จริงนะแต่ว่าเป็นเบื้องต้นฝึกไปจนวันหนึ่งมันตัดเป็นสมุดเฉดนะครับนี่มันสติอัตโนมัติสติอัตโนมัติไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาอีกแล้วนะ จิตใจนี่ไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษามันไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้อีกก็เหลือแต่ความสุขล้นๆ้ไม่มีภาระไม่ต้องดูแลเหลือภาระทางร่างกายนะถึงเวลาก็ต้องไปอาบน้ําไปขับถ่ายไปกินข้าวอะไรเงี้ยมีภาระแต่ทางใจนะัมันหมดภาระได้ค่ อ, อฝึกเอาไม่ยากเห็นไหมพูดพูดไปก็ลงท้ายบอกต้องฝึกเอานะต้องปฏิบัติเอายังมานั่งฟังอย่างเดียวไม่ได้หรอก มีเหมือนกันนะคนที่ฟังทำแล้วปิ้งขึ้นมาเข้าใจธรรมะมีเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เขาจะปิ้งขึ้นมาเขาไปปฏิบัติมาเยอะแล้วคอรู้สึกกายเขารู้สึกใจเนี่ยบางทีฟังฟังแล้วปิ้งในเข้าใจตัดสมุดเฉดไปเป็นลําดับลําดับก็มีแต่ว่าพวกเราอยู่ๆจะมาฟังแล้วก็ปิ้งไม่ได้กินนะต้องไปปฏิบัติก่อนรู้สึกกายรู้สึกใจบางคนนะแม้หลวงพ่อไม่รู้จะด่ามัมนยังไง ม, มันโลภมากขี้เกียจขี้คลานหน้าด้านหน้าท น, นไม่ปฏิบัติลองาอกนะเฮียาก็จะฟังซีดีหลวงพ่อฟังเล่นๆไปเรื่อยแล้วหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุแล้วก็หลงทั้งวันนะฟังไปอุทิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปฟังแล้วไม่ได้มารู้เนื้อรู้ตัวเลย <c oughs> หรือบางทีมาที่วัดนัมานั่งเมื่อไหร่จะมีวัคทองเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเทศประโยคเด็ดที่เราฟังปิ้งเลยบรรลุไม่ต้องทํานี่พวกขี้เกียจขี้คลาน พวกไม่ได้เรื่องต้องปฏิบัตินะต้องมีสติรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้สึกกายรู้สึกใจหรือว่ารู้ทุกข์รู้สึกไปเรื่ถ้ารู้แจ่มแจ้งเห็นมันเป็นไตรลักษณ์จะเบือบ่อพอเบื่อหน่ายก็รู้ว่าเบือ่อหนนะใจก็คลายออกไม่ยึดถือเห็นแล้วว่าความจริงเป็นอย่างนีคงง้ความจริงของกายก็ทุกข์ความจริงของจิตใจก็คือทุกข์ความจริงเขาเป็นอย่างนั้นใจยอมรับความจริง ใ, ใจยอมรับความจริงใจก็หมดความดิ้นรนใช่ไหมตัวสําคัญนะตรงที่ยอมรับความจริงถ้าคนที่ยอมรับความจริงได้ยังไม่ทุกคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้จะทุกขนะ์อย่างร่างกายเราต้องแก่ใช่ไหมต้องเจ็บต้องตายนี่เป็นความจริงถ้าอยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ลนะตีนกาขึ้นหน่อยก็รุ่มแล้วใช่ไหมหายานี้มาลองทาไม่ได้ผลเอาตัวนี้ ท, ทไปทามาลเลยหยวไปเลยอันะนี้ตีนวัวตีนกไอย ท้อใจแล้วยอมรับสภาพมันเยอะสู้ไม่ไหวแล้วถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อรู้สึกตัวเองแก่มานานนะตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็รู้สึกแก่มีภาวนามามากๆนะรู้สึกโรคมันจืดมาแต่ไหนแต่ไรลเพื่อนฝูงเขาเฮเฮฮาฮนะเราก็เล่นๆไปกับเขานะเหมือนเล่นละครเองฮะเอาใจมันให้ไม่ดูแปลกกับมันมากนักกลมกลืน แต่ใ น, ในใจเรารู้สึกเห็นมีอะไรในจุดชุดนี่ใจมันแก่มาตั้งแต่เด็กนะเพื่อนๆนมันล้อหลวงพ่อนะว่าหน้าตาแก่ท่าทางก็เหมือนคนแก่เดี๋ยวนี้ลงมาดูสิมันแก่กว่าหลวงพ่อละลายไหนหลายนั้นเลยของเราแก่คงที่มาตั้งแต่เด็กมันมาแก่ทีหลังมันดังกว่านไปดูสิแต่ละคนนะหัวงอกขาฟูดเลยก็มีหัวล้านหนึ่งเลยก็มีนะ เราภาวนานะภาวนาใจยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่ใจจะไม่ทุกข์ใจจะยอมรับความจริงได้ต่อเมื่อใจยอมจำนนนี่ไม่ยอมง่ายๆนะอยู่ๆจะไปบอกอา้าวผมยอมแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาปิ้งบรรลุพระอรหันต์ใจมันไม่ยอมด้วยหรอกนั่ั้นมันจะยอมต่อเมื่อมันยอมจำนนทํำยังไงมันถึงจะยอมจำนนต้องเอาข้อเท็จจริงมาตีแผลให้มันดูทุกวันทุกวัน ดูลงมาในกายดูลงมาในใจดูซีมันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันร้ายนะดูลงไปมันน่ารักหรือมันไม่น่ารักมันสวยมันงามหรือว่าไม่สวยไม่งามมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์นะมันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้เอาของจริงมาให้มันดูพวกเราวิปลาสพวกปุถุชนจะวิปลาสสี่อย่างเห็นของไม่สวยไม่งามก็ว่าสวยบ้างามเห็นของไม่เที่ยงก็ว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนของตนนะ เรื่องวิปปาตตานี่จะหายบ้าหายวิปปาตได้นะเอาข้อเท็จจริงมาให้ดูมาดูทุกวันทุกวันนะดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับเราต้องการดูความจริงเพราะงั้นอย่าไปบังคับกายบังคับใจแค่ถือศีล5้าไว้พอแล้วือศีลห้าตีกรอบไม่ให้ทําชั่วนะทางกายทางวาจาศีลห้าพอเราไม่ไปทําชั่วทางกายทางวาจานี่นะจิตใจสงบง่าย ถ้าจิตใจเราคลุกคลีอยู่กับความชั่วทําแต่ชั่วทางกายทางวาจาจิตไม่สงบหรอกเราะนั้นเรามีศีลไว้นะจิตเราสงบง่ายถ้าศีลมันเป็นฐานเกื้อกูลให้เกิดสมาธิได้ใจเราสงบง่ายเสร็จแล้วก็มีปัญญานะน้อมเข้ามาหาตัวเองโอปัญยิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเองมารู้กายมารู้ใจมาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจช่วยกันจํำหน่อยนะคําว่ามาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจ ไม่ใช่มาดัดแปลงกายมาดัดแปลงใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจให้แค่รู้มาดูความจริงของกายของใจกายนี้มันสวยมันงามจริงไหมมันเที่ยงจริงไหมมันสุขจริงไหมมันบังคับได้จริงไหมเป็นตัวเราจริงไหมดูเข้าไปจิตใจล่ะจิตใจจะมันไม่มีคําว่าอสุภะนะจิตะจิตใจมันเที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้นี่ดูลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นความจริงจนได้แล้ว คนที่ไม่เห็นความจริงก็เพราะไม่ยอมดูความจริงแต่ดูความจริงแรกๆก็ยังรับความจริงไม่ได้ใจจะหวั่นไหวขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งเวลาปฏิบัติคนซึ่งอินทรียังไม่แก่กล้าพอนะพอเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรายังไม่ยอมใจเกิดความทุกข์ขึ้นมานะเกิดเบื่อหน่ายเกิดเซ็งเกิดเวิ้งว้างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ใจไม่เป็นกลาง แต่ต่อมาก็าอยอมดูไปเรื่อยๆถึงไม่ชอบก็หนีไม่ได้เอย่ยงเราไม่ชอบความทุกข์แล้วเราจะหนีไปไหนะกลายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์นี่เห็นไหมไปไหนก็เอากายเอาใจไปด้วยก็หนีความทุกข์ไม่ได้หนีไม่ได้แล้วทํำยังไงนี้ไม่ได้ต้องสู้สินะยำรับความจริงไหมถ้ายำรับไม่ได้ใจก็ดินนด้นรนใจดิ้นรนใจก็ทุกข์นี่ดูไปเรื่ อ, อยยิ่งดิน้นยิ่งทุกข์ยิ่งดิน้นยิ่งทุกข์นะกายกับใจก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้ว ยิ่งไม่อยากทุก <play> ข์มันยิ่งทุกข์มากขึ้นเห็นอย่างนี้นะก็เห็นมากเข้ามากเข้านะใจเขาหยุดดิ้นใจหยุดดิ้นนะคราวนี้กลายเป็นทุกข์สมน้ําหน้ามันนะใจมันทุกข์เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะเวลาภาวนานะบางทีไม่ใช่มันกับเรานะเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูด้วยซ้ำไปนะเรื่องของมึงแต่ไม่มีคําว่าไม่ใช่เรื่องของกูเพราะไม่ได้มีกูใจมันจะรู้สึกเรื่องมึงเรื่องของเอง ใจเราไม่ไม่เดือดร้อนนะใจยอมรับความจริงแล้วจะไม่ทุกข์ใช่ไหมนะพระเจ้าถึงสอนเน่ยเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดก็ดกดจึงพ้นทุกข์ก็หลุดพน้นนี่ฝึกเอาเห็นไหมมุกมาหาคำว่าฝึกเ อ, อีกแล้วฝึกอะไรฝึกรู้กายฝึกรู้ใจนตามที่เขาเป็น ไปรู้ความจริงของกายไปรู้ความจริงของจิตใจเนืองๆนืองดูจนวันหนึ่งจิตยอมรับจิตยอมสีโรราบต่อความจริงความจริงของกายของใจก็ไตรลักษณไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพยมรับแล้วคราวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่ทุกข์อย่างเกิดขึ้นในกายเช่นแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดขึ้นทางใจนะเช่นสูญเสียของที่รักไป พลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักอย่างเงี้ยไม่สมหวังหวังแล้วไม่สมหวังไม่ทุกนะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นรู้สึกมันธรรมดาโลกสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปตามเหตุมีเหตุก็ได้มาไม่มีก็ไม่ได้มาใจก็เป็นกลางจิตใจที่เป็นกลางก็หมดความดิ้นรนจิตใจที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนะสบายจิตก็ยังคิดยังนึกอะไรของมันตามธรรมชาตินะแต่ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตมีแต่ความสุขล้วนๆเลย ต้องฝึกเอาเล่าให้ฟังแล้วต้องไปทําเอาเองอย่ามาฟังแล้วก็อาศัยฟังแล้วก็บรรลุโดยที่ไม่ยอมรู้กายรู้ใจตัวเองทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้สมัยพุทธกาลบางท่านท่านฟังทำแล้วปิ๊งเลยนะเป็นพระอรหันต์เลยท่านทํามาแล้วสาหัสสากรอย่างท่านพระภาหิยะพระพ า, ายะภาวนาตั้งแต่ชาติก่อนๆจนตัวตายนะสละชีวิตเพื่อธรรมะ ม, มาแล้วไม่ได้รักชีวิตมากกว่าธรรมะ พอได้ฟังทำนี่นนะก็ปิ๊งอย่างรวดเร็วเลยของเราฟังรอบแรกอย่างแต๊กแ๊กก็ไม่เป็นไรธรรมดาถ้าไม่แป้งคงไม่ตกมาถึงรุ่นนี้หรอก <c oughs> เอาต่อไปตรวจกันบ้านคนที่อยู่วัดเมื่อวานก็ตอนเย็นก็แข็งครับอะไรนะตอนตอนตอนเย็นเมื่อวานนะครับเพ่งแล้วก็ตอนเช้าก็มีอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นครับต้องรับสภาพนะอย่างเราเพ่งไว้ใจเองก็ไม่สบาย เป็นเรื่องปกติวันนี้ดีขึ้นแล้วโลงขึ้นนะใช้ได้ครับแล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าผมยังมีติดอะไรบ้างหรือเปล่าครับโอโ้ติดเพ่งไง <laughs> เพ่งนั่นแหละแต่เบาโลงแล้วนะให้ฝึกไปจริงๆเราอย่า ก, กังวล น, นะการภาวนาอย่า ก, กังวลว่าทำผิดผิดแน่นอนเพียงแต่ผิดน้อยลงน้อยลงต่างหากไม่ใช่ทำถูกหรอกทำถูกคือไม่ทำอะไร รู้แต่ไม่ได้รู้ไม่ได้จงใจจะรู้รู้แต่ไม่ได้จงใจนะนอกนั้นก็ยังทำอยู่แต่ว่าทำแบบน้อยลงน้อยลงปรุงน้อยลงน้อยลงนะก็เข้าใกล้กวา่าไม่ปรุงมากขึ้นมากขึ้นงั้นเวลามาส่งกันบ้านอย่าคลุ้มใจนะไม่มีถูกหรอกแต่ถ้าคนใหม่ๆ ม, มาถามหลวงพ่อทาถูกยังก็ถูกนะ น, นตอบแบบสอนเด็กใหม่ก็ไปอีกอย่างหนึ่งถ้าสอนคนเก่าๆอย่าไปกังวลเลยยังไงก็ไม่ถูกหรอก ยอมรับความจริงได้ก็จะถูกเมื่อนั้นมีบางคนภาวนาบอกทอแท้ใจท้อใจล้ภาวนามันจเจริญแล้วก็เสื่อมไปจเจริญแล้วก็เสื่อมไปนั้นเพราะอะไรเพราะใจไม่ยอมรับความจริงว่าจิตมีธรรมชาติจเจริญแล้วเสื่อมเห็นไหมโอ้ oh, ท้อใจท้อใจไม่ท้อมันทํำไมจิตมันจเจริญแล้วเสื่อมนั่นความจริงของมันต่างหากถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ใครจเจริญอ่ะใครเสือเส่อมอ่ะจิตเจริญจิตเสื่อม งั้นจิตเขาเจริญก็รู้ไปสิเจริญก็ไม่เที่ยงนะจิตเสื่อมก็ช่างมันสิเรื่องมันเสื่อมอะ่ะมันเจริญได้มันก็เสื่อมได้สิในที่สุดจิตก็เป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางนะเจริญก็ไม่ยินดีเสื่อมก็ไม่ยินไล่ไม่มีคําว่าเจริญและเสื่อมในสา ร, ระบบของเราอีกต่อไปละนะดงนั้นภาวนานะจนกระทั่งมันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าไปกังวลโอ้มาส่งกันบ้านทีไรมีแต่ถูกว่าทุกทีไรผิดอีกแล้วโน่งก็ผิดนี่นี่ก็ผิดอะส่งกันบ้านมันก็ผิดแงนะ่แงแล้วพอไปเล่าว่าไปทําอะไรมา <c oughs> ประโยคเนี้ยขอบิณฑบาตอะ่ะ <c oughs> มันลอกกันบ้านกันทุกวันเลยนะตื่นเต้นกันตื่นเต้นไม่สําคัญสําคัญที่ว่าตื่นเต้นแล้วเราทําอะไรนะ ตื่นเต้นแล้วกดเอาไว้นี่ต้องส่งว่าโกรธอยู่ค่ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ดูต้องกดเป็นแถวเลย้เฉลยข้าสอบไปแนละ้วตื่นเต้นค่ะนะตื่นเต้นนั้นจิตมันตื่นเต้นจิตตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่เราไม่ยอมรับความตื่นเต้นของมันเห็นไหมเราไม่เป็นกลางเราไปแทรกแซงอยากให้เขาหายตื่นเต้นนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ จิตปรุงแต่งไม่เป็นไรนะจิตมันปรุงความตื่นเต้นขึ้นมาเราอย่าไปปรุงแต่งจิตทำยังไงจะไม่ตื่นเต้นอย่างนั้นทำผิดอ้าวว่าไปนี่ลูกศิษย์เก่าก็โลดรุนแรงหน่อยแต่ว่าใจเสาะนะว่ามากก็ไม่ได้เดี๋ยวร้องไห้ที่ทำอยู่ก็ดีแล้วนะอ้าวว่าไปรู้สึกจิตมีแรงเลยค่ะหลวงพ่ออ๋อ วันนี้ฟุ้งน้อยลงค่ะคิดว่ามีแรงมากขึ้นดีแล้วนะแล้วก็ตัวปอมมันหายไปนิดนึงเออแน่นตอบถูกแหมต้องตอบอย่างนี้ถึงจะได้คะแนนหลวงพอ<ต>่อข้ามีอีกหนึ่งคำถามอะคะอ่ะคือว่าป๋ำจะรู้ว่าป๋ำจะฟุ้งอะคะ่ะทีนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามันรู้จริงหรือเปล่าะะรู้จริงนะอันนี้รู้จริงเลยนะใช้ได้เลยวันนี้เหรอคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่ก็คือว่ามันไม่ไก่อนหน้าเนี้ยมันชอบปลอมตัว เวลาปฏิบัตินะมันจงใจแทรกเข้าไปเรื่อยๆให้ไปรู้ทันเวลามันจงใจปฏิบัตินะดูจิตมันทำงานไปอย่าคิดเรื่องปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินะเหมือนผีหลอกเราเราคิดว่าปฏิบัติคือต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งไม่ธรรมดาเราทำหน้าที่ดูมันไปเรื่อยจิตมันปรุงแต่งรู้มันไปไม่ต้องไปว่ามันน้องไงอีกรู้สึกไหม ชักกระสับกระสายไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วให้อุทัยบ้างเมงื่อวานนี้ก็ภาวนาแบบแอบบดูข้อสอบว่ามันตายรักหรือยังแอ บ, บดูแล้วมันเห็นจริงๆแค่ไม่กี่แว บ, บแล้วที่เหลือคือไปกวนตลอด อ, อดีตรงที่รู้ว่าไปกวนนั่นแหละรู้แล้วนะเห็นไหมจิตมันกวนทำไมจิตมันกวา น, า จ, น, วานจิตมันมีตันหาผลักดันมันก็เที่ยวสแสวงหาทรามานนะตอนอที่มัน แน่นอนละ่ะจิตมีตัณหาขึ้นมาจิตดิ้นรนขึ้นมาจิตก็ต้องทุกแน่นอนยอมรับไหมว่าจิตจะต้องทุกยอมไม่ได้ถึงได้ดิ้นรนหาทางพลนทุกเนะยิ่งดิ้นยิ่งยิ่ ง, งทุกถ้าสักว่ารู้สักว่าเห็นนะยอมรับสภาพได้เป็นกลางกับเขาไม่ดิ้นรนนะไม่ทุกแล้วยายมันทุกใจมันทุกขามันทุ ก, ทกแต่เราไม่ทุกกับมันอีกข้อนึงครับหลวงพวิธีดูวิธีดู ตัวปลอมมาแล้วรู้สึกไหมทำให้หล่ออ่ะวาไปไม่หลุดเลยไม่ยอมหลุดไม่หลุดก็ช่างมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราจะหล่ออยู่เลยช่วยไม่ได้คนมันจะหล่อก็บัวนี้เห็นน้องเขาถามเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นทุกข์ขาปฏิปทาวิธีสังเกตวิธีสังเกตเราสามารถสังเกตได้เลยไหมครับว่าเวลากิเลสมันถูกกระตุ้น ปุ๊เนี่ยแล้วมันมั น, ม, นมันเราเราถูกกิเลสท่วมตัวเลยอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าใช่ใช่ไหมใช่ดูที่ความรุนแรงของกิเลสถ้ากิเลสรุนแรงนะต้องทุกขาปฏิพัฒนายาตามใจมันต้องสู้ต้องฝืนมันอยากกินมากๆก็กินพอประมาณมันอยากนอนมากๆก็นอนพอประมาณนะแต่ถ้าเป็นสุขาปฏิพทานะก็เป็นอีกแบบหนึ่งกิเลสเบาบางนะกิเลสเบาบางแล้วก็ตามรู้ตามดูไปแง่ายๆไม่มีอะไร ไปทํา ม, ม า, นะานะภาวนาคุณแต้มรู้สึกว่าก่อนไมค์มาถึงก็เป็นธรรมชาติดีค่ะง<ม>อแต่ว่าพอไมค์ใกล้มาแล้วก็อันนี้ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึง่ง <c oughs> นะธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยธรรมชาติยอมรับสภาพอี่ว่าเขาปรุงแต่งเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะแล้วสบายปรุงก็ได้ไม่ปลุงก็ได้สบายสบายฟ้า ก็เห็นตัญหามันผลักว่ามันจะต้องทำจะต้องปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกก็ตอนนี้ก็กดอยู่เรื่อยๆค่ะหลวงพ่อดีที่รู้ทันนะไปมันฟุงน้อยกว่าเมื่อวานนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงฐานเออมันเจ้าออกมาสุดไหมใช้ได้เป็นกลางกับมันน ะ, อ, ะอยู่ที่เป็นกลางนะพอดูสภาวะได้แล้วอยู่ที่เป็นกลางนะไม่ใช่ว่าสภาวะต้องเป็นอย่างนั้นห้ามเป็นอย่างนี้ เมื่อวานนี้ก็โยมก็ฟุ้งไปที่ข้อธรรมค่ะก็คือที่ได้กราบถามหลงพ่อเรื่องที่ว่าโยมเอาจิตไปชาร์จจักระตามไปเนี่ยโยมก็รู้สึกว่าโยมมีภวะตัณหาคือความอยากให้ร่างกายมันแข็งแรง <c oughs> ก็แล้วก็มันก็ไปขัดกับวิธีการที่เราอยู่ เราเป็นผู้รู้อย่างเดียวโยมก็คิดว่าโยมจะรักษาร่างกายโดยวิธีที่งงซึ่งดูกายแทนแล้วอีกข้อหนึ่งโยมก็ฟุงเมื่อวานนี้ฟุ้งไปเรื่องธรรมะฮะโยมอ่านหนังสือเรื่องธรรมะเดียวนะธรรมะคู่เล่ามาซึ่งธรรมะเดียวนะก็มาได้ข้อคิดว่าเหมือนกับเหมือนกับตัวรู้เนี่ยเขาอยู่ของเขาแล้วก็ แต่แต่เขาไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยเพราะว่าประเดี๋ยวเขาก็ถูกถูกถูกถูกกิจเนี่ยลากไปถูกตัวความคิดถูลากไปอยู่เรื่อยอแล้วก็ดูบางทีเขาก็ลากไปอยู่อย่างนี้ตลอดเลยถูกต้องนะห้ามมันไม่ได้นะอยู่ที่ว่าเป็นกลางกับมันไหมอ้าต่อไปยกมืออ้อยกมือไปกินข้าวไปหมดเวลานี่หมดครับท่านอาจารย์